ต้นที่คือการต่อสาและอาการาให้เนื่องด้วยอาการาเพื่อจะย่นอาการาให้น้อยลงเป็นอุปปาการะในการแต่งชันพูดใหสาลาสาลวยการต่อมีสองอย่างคือต่อสัพที่มีวิพาทให้เนื่อที่ไม วิปานเชนเเ่นจัตตารโอเมเป็นจตารโอเมเป็นต้นต่อบทสามาธิอนอาการะให้น้อยลงเช่นกาตาอุปะการโรปะการโรกาตออาการจะเป็นสามกาตออาการะ ด, ด้วยอาการะนานจะเป็นสามตามความที่เป็นประธานก่อนคือสาราสนทิท สาราพยัญชนะสนทีต่อพยัญชนา น, า น, นิกายิส้นทีนิกาหยนสน้สนทีกิริโยปกรณวิธีเป็นอุ ป, ปาการะแก่การทำส้นทีชื่อสน้สนทีกิริโยปกรณมีแปดอย่างคือโลโปโลปอาเทโซแปลงอาคาโม ซ่อนตัวหมายเข้ามาเวการโรทำให้ผิดจากของเดิมปกติปกติที่โกทำให้ยาวทำให้สั้นสั้นโยโกซ่อนตัวอักษรสารสนทีนสารสนทีได้สนทีขี่ริโยปากรเบื้องตนครบขั้งแผ่นคาแต่สั้นโยโกอย่างเดียวโลปสารสนทีโลโกี่สน มีสองคือโลบสาระนาหนึ่งโลบสาระลังหนึ่งสาระที่สุดของสับนาเรียกสาระนาสาระนาสับลังเรียกสาระเอือง ฤครืลส า, ลางลบสาระนาะอย่างนี้สาระนาะเป็นรสช า, าสารลางเป็นทีกาเครืลส า, ลางอยู่หน้าพญานานสังโยลบสาระนาะอุทาหนว่ายศาสยินธาริยานีเป็นญัสิสินธาริยานีนโนหิเอตางเป็ น, นโนหิตางสัมเ თ ตุอาญาสัมมาเป็นสเาาัเมตาญาสัมมาสารทั้งสอง มีรูปสามเมื่อการลบสาระนะ่าแล้วที่ฆาสาระล่างอุทาหนว่าตสาระาย่างเป็นตาสารอย่างฆาโรคุปการโรเป็นฆาโรคุปการโรอาสาระทั้งสองเป็นราสามีรูปไม่สามอการลบสาระนะ่ายาที่ฆาสาระล้างอุทาหนว่าจตุหิอาไยหิเป็นจตุไยยินียะสอิมานี สารานะเป็นที่คาสาระลางเป็นรสานโลบสระนะาณี่คาสาราลังอุทาหนว่าสัจชายชาเป็นสัจทิชาลบสาระลางอย่างนี้สาระทั้งสองมีรูปไม่เสมอการโลกสาระลางอุทาหนว่าจัตตารุยเมเป็นจตตารเมกิ น, นุยมา โนมาทามีในข้าหีติอยู่หน้าลบสาระลางอุทาออนว่าอาเทนันทุงนีสีเป็นอาเินันทุนตีอาเทสาระตนทีอาเทโซมีต้องคือแปลงสารหน้าหนึ่งแปลงสาระลังหนึ่ง แปลงสารนาอย่างนี้ทาอีเอและอูโออยู่หน้ามีสารอยู่ล่างแปลงอีตัวหน้าเป็นยา้าพายัญชนะตอนอยู่สามตัวรอบพายัญชนะที่มีรูปสามเมือกัารเสียตัวหนึ่ง อุทาหอนว่าปัติสันธารวุติอันสาเป็นปัติสันธารวุตายาสาขิอากาลังเป็นอากายาการังเอาเอเป็นยาอุทาหอนว่าเตอาสาเป็นตายสาเมอยอย่างเป็นมาอยา เต่างเป็นตายามังเอาอุโอเป็นว่าอุทาหอนว่าอาชาโกอาสาเป็นอาชาคาวาจักพาหูอาพาโตเป็นพ่าพาโตชาคูอาภาทัง จะข่าวปาทาแปลงสาระเครื่องล่างอย่างนี้ถ้ามีสาระอยู่ข้างหนะ้าแปลงเอตัวหนะ้าเห็นเอวสามเป็นฤๅแล้วรสสาระนาะให้สันอุทาฮอนว่ายาธาอีวาเป็นยาธาเรวาตาคาเอวะอาคมสารสนทีอาคาโมโลงอกักษรตัวใหม่นั้นอย่างนี้ถ้าสาระโออยู่หนะ้าพายาัญชนะอยู่ลัง โลกโก้แล้วลงอาคมได้บ้างอุทาหอนว่าโส ต, ติละวาเป็นศาสติลา โญญปสปัญญาวาเป็นสปัญญวาเอโสธัมโมเป็นเนสัธัมโมอาญชันนะอยู่เพื่องปลายลบอาชีสุดแห่งสาระเพื่องนาเสียแล้วลงโออาคมได้บ้างอุทาหอนว่าปาราสาหาสังเป็นปาโรสาหาสังสารธาสหสางเป็นสาระสหสางวิการสาราส้นทีวิกาโรมีต้องคือวิการในเพื้องต้นหนึ่งวิการในเพื่องปลายหนึ่ง วิการในเบื้องต้นนั้นอย่างนี้เมื่อลกสาระเบื้องปลายแล้วเอาสาระเบื้องหน้าคืออีเป็นเอเอาอูเป็นโนอุทามอนว่ามุนิอาลโยเป็นมูสุอัอตอิเป็นตูอัวิการในเบื้องปลายอย่างนี้โลกสาระนางวิการสาระล่างอุทาหมอนว่ามาลุตตาอิตริตังเป็นมาลุ รีตังผ่านพุาอีว่าเป็นผันพุเธวานนอุเปติเป็นโนเปติอุทากังอุ้มีกาชาตังเป็นอุททมีกาชาตังปกติสารสนทีต่อตามปกติอย่างนี้โกอีมังเป็นโกอีมังที่ขาสารสนทีที่ขังมี้องคือที่ขาสารหน้าหนึ่งที่ขาดสารหลังหนึ่ง ที่ฆาตาราณาอย่างนี้เมื่อลบสารังแล้วให้ที่าสาราณาอุทารว่ากิ่งสุอิ้าสุทาสุตุสีเป็นสุตีทาพยายจันออยู่ข้างลังให้ที่ฆาตาราณาอุทารว่ามุนิจเร ที่ฆ้าสาราเบื่องปลายอย่างนี้ลบสาระหน้าแล้วให้ที่ฆ้าสาระล่างอุธาหอนว่าสัทธาอีธาเป็นสัตติธาจะอุภายัางเป็นจุภาอย่างรัสสรารสนทีรสังนาน ถาพยานชนะก็ดีเอเงเอว่าสับก็ดีอยู่เบื้องล่างรัศสะระข้างหนะ้าให้มีเสียงสัน้นในบ้างอุทาหมอนวาโพวาธินามาเป็นโพวาธินามาญาธาเอว่าเป็นญาทาริว่าพยานชนะสนทีในพยานชนะสนทีได้สนทีกิริโยปากรอนห้าอย่างคือโลโปหนึ่งอาเทโซหนึ่งอาคาโมหนึ่งปกติหนึ่ง สันโยโกหนึ่งโลปะพายาัญชาณาสนทีในโลปะที่ตนนานอย่างนี้เมื่อลบสาระเพื่องปลายที่มีนิกายอยู่หน่าแล้วถ้าพายาัญชาณาซ้อนเรียงกันสองตัวโลบเสียตัวหนึ่งภูธาหอนวาเอวังอาสาเป็นเดวังสาปุพพังอาสาเป็นปุพพังสาอาเทพายาัญชาณาสนทีอาเทพายัญชาณานา น, นอย่างนี้ถ้าสารายู่ลัง ที่ทำเป็นตายาให้เป็นจาจากอุทาหอนว่าอิติเอวงังเป็นอิเจวงังปาสิอุตสาริสวะเป็นปัสจุตสาริสวามีเอกยูนะ้นาให้แปลง้าเป็นาธาอุทาหอนว่าเอกงอีท า, างเป็นเอกรู้มีทางการแปลงที่ไม่นิยมสาราหรือพยาญจันนาเบืองปลายอุทาหอนว่าถ้าเป็นหาสาตุธาสนานังเป็นซาหุธาสนานั ตาเป็นตาสุขาโตเป็นสุขาโตสาเป็นตาทุกกาต่างเป็นทุกกาต่างตาเป็นตากันตาเป็นกันท้าโพตาเป็นตาราอสตาโฉเป็นอาตาโฉข้าเป็นกาผู้ลูกบาโพะเป็นผู้ลูกบาโพะราเป็นลามหาตาโระเป็นมหาตารอย่าเป็นชะกาวาโยเป็นฆาวาโจว่าเป็นผ้าผูว่า เป็นผูกพาโตย่าเป็นกาสายังเป็นสากา้าเป็นยานิจังเป็นนิยังตาเป็นกานิยาโตเป็นนิยาตาเป็นยาภาโตเป็นภาโวป่าเป็นปานิปัสสีเป็นนิปัสีแปลงอาทีเป็นอาภาอุทาหมว่าอาุขะจติเป็นอุขะจติแปลงอาทีเป็นอาชา เป็นอะโชกะโตอาธิอาคามาเป็นอาชากามาแปลงอาวะเป็นโลอุทาฮอนว่าอาวานาั เป็นโนนาคาอากมพยัญช น, นะสนธิพยัญช น, นะอากมแปดตัวคือยะวามาตานาระลาคาตาระอยู่ข้างล่างลงพยัญช น, นะอากมได้บ้างยังมียะอากมยาทายทางเป็นยาทายทางว่าอากม อ, อุทิกาติเป็นอุทิกาติมาอากรมการุณิสติเป็นการุเมสติ ตาอะโมอะตาอะโทเป็นอะสาทาโทนาอะโมอิโตอายะติเป็นอิโตนายติตาอะโขมตาสมาติหาเป็นตาสมาติหาระอาคมสาพีเอวะเป็นสาพีเรวะลาอะโขมชาญาตานังเป็นชาลาญาตะนังในสัทานีติวะลงหาอะโมได้บ้างหูทาหฮอนว่าสู่หูชูเป็นสู่หูชู สุทิตังเป็นสุต่างปกติพายัญชนะสนธิ่อแบบปกติอย่างนี้สาตุทัศนานเป็นสาตุทัศนา ส, รรรสัญญพายัญชนะสนธิสัญโญโกมีสองคือสอนพายัญชนะที่มีรูปเหมือนกันอย่างหนึ่งซ้อนพายัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งซ้อนพายัญชนะที่มีรูปเหมือนกันอุทาหอนว่าอิทัปปโมทัศ เป็นดิท่าฟาโมท่าตีจาสุดทาสีเป็นจาสุดทาสีสอนพยาญช น, นะที่ไม่รูปไม่กันอย่างนี้เอาอาการะที่หนึ่งสอนหน้าอาการะที่สอง ตอนนาการที่สีอุทามวาจจารีธา น, านิเป็นจัตตาริธา น, านิเอโซวจ จ, จาณาาโลเป็นเโซวจ จ, จาณาาโลนิกายิสติีในนิกายิสติีได้สติีกิริโยภากรสี่อย่างคือโลโปหนึ่งอธิโซหนึ่งอาคามโมหนึง่งากาติหนึ่งโลภาที่ิกายิสติีในโลภาที่ตนนั้น เมื่อมีสาระหรือพายัญจานาอยู่เบื้องลัางลบในกระหินซึ่งอยู่เบื้องหน้าได้บ้างอุทาหอนว่าท้าสังาหังเป็นต้าสัหังวิสุนังอักังเป็นวิสุนังอริยสัจจานังท้าสานังเป็นอริยสัจจานะทาสานังพูท้านังทาสานัง เป็นพุธานาสาสานังอาเทศนิาฆิสุนติอาเทศนิกาฆิตนานอย่างนี้เมื่อมีพายัญชานาอยู่ลางนิฆิยิจุนาแปลงนิาฆินเป็นพายัญชานาที่สุดว่างได้ทั้งฮาตัวตามต้มกวฎแก่พายัญชานาวางที่อยู่เบื้องล่างอุทาหฮอนว่าเป็นงาเอวังโปเป็นเนวังโปเป็นยาสรรมังจเร จะเรเป็นนาตังทิตีเป็นตันทิตีเป็นนาตังนิพุตังเป็นตันนิพุตังเป็นมาจีรังปาวาสิงจีรังปาวาสิงท่าเยเนหาอยู่เพื้อปลายแปลนิคราหยเป็นยาอุทาหอนว่าปัจจัตังเยวาเป็นปัจจัตตันเยวาตังเยวาเป็นตันเยวาเอวังหีเป็นเนวังหิ ตั่งหีเป็นตั่หีถ้ายาอยู่เพื้องปลายแปลงนิกาหินกัมยาเป็นยายาอุทาหอนว่าสังโยโกเป็นสั่งโยโกในสัทธานิทิวาถาลาอยู่เพื้องล่างแปลงนิกาหินเป็นลาย่างณินปุ่ลิงคังเป็นปุ่ลิงคังสั่งลักเป็นสั่งลักขณะถ้าสาระอยู่เพื้องล่างแปลงนิกาหินเป็นมาและทาอุทาหอนว่าตั่งอามังเป็นตามัง ทาโวโจอเป็นเดตะทา้าวโจออภิมิค้าหินสนธิอภิมิค้าหินนานยานีเมื่อสาระก็ดีพายาญชนะก็ดีอยู่เพื่องลงังนิกาหินใจบางอุทาห้อนว่าจะกู้ท้าปาริเป็นจกากองอุท้าปารีอวาศิ เป็นอาวังสิโรปกตินิคาหิสุนทีต่อแบบปกติอย่างนี้ธรรมจาเรเป็นธรรมจาเร